จริงก็แม้แต่ศาสตร์ก็อาจจะทำได้นะแต่แต่มนุษย์แล้วก็เทวดาโอกาสมากกว่านะโอกาสมากกว่าอย่างอย่างน้อยนะวันนี้เราก็ไ ด, ได้ได้ฟังทำตามการนะได้สนทนาธรรมนะทำวัชาชาจัดฉาสนทนาธรรมถามตอบนะพัก ถ, ถามได้นะได้ทำความเพีย ข่าวกเลนะเนี่ยน้อยอก็สามอย่างนี้นะอาจจะเยอะัว น, นีอ้อีกหลายก็อนะในมงคลชีวิตทำแต่อาการที่เราสามารถทําได้นะก็พยายามทำกันนะ <c ười> ทําอะไรได้ก็ทําเอะทําอะไรได้ก็พยายามทําทให้ครบทําให้มากๆที่สุดเท่าที่เราทําไดนะ้มันจะเป็นมงคลนะมงคลก็คือสิ่งดีงามในชีวิตน หรือมงคลก็คือกรมดีนั่นแหละเวลาเราทำกรรมดีมากๆนะทำกรรมชั่วแล้วไหรือไม่ทำเลยเนะี่ยชีวิตที่ทำแต่กรรมดีมันก็จะมีความสุขเนะวลาเราทำความดีใช่ไหมเราจะมีความสุขมีความเบิกบานใจเวลาเราคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงการกรทำในอดีตเราก็จะพอคิดถึงตัวเองเคยทำอะไรมาบ้างก็ มันก็มีความสุขใช่ไหมมันเบิดบานแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีน ะ, อะพอไปคิดถึงแลมันกะ็มันก็จิ๊ดจี๊ดในใจใช่ไหมรู้สึกมไม่น่าเลยไงหรือว่ารู้สึกเราไม่ไม่กวัวทำอย่างนั้นอย่างนี้เลยนยะมันก็เป็นความรู้สึกผิดในใจบางคนก็เป็นตามบาปครั้งใหญ่ในชีวิตก็มีแต่ถ้าเราได้ทา สิ่งที่เป็นความดีเยอะๆนะมันก็มันก็เป็นการสะสมอุปกรณ์ที่ใส่ในทางในในทางพุทธศาสนานะบางทีเราต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้มันถูกสมัยนี้บางคนเป็นหาค้าหรือเป็นหามาดูไปเลยก็แต่ไปแก้กรรม <c oughs> ไปแก้กรรมในอดีต เคยทําไม่ดีแนอดีตชาติหรือเคยนั่นนี่นะก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะมาแก้กรรมกันแก้ได้ไหมโย่คิดว่าเราแก้กรรมไดม้ที่จริงพระพุทธเจ้าบอกว่ า, ากรรมชั่วนะมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะกรรมดีมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเราจะเอากำกรรมดีไปแก้กรรมชั่วโดยตรงนะมันก็ มันก็ไม่ใช่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอสม ก, การคณิตศาสตร์นะสองลบสองเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเ อ, เอามาลบ ก, กันแล้วมันก็จะหายไปมันไม่ใช่เหมือนสม ก, การคณิตศาสตร์เลยนหรอบนะกรรมชั่วมันทำไปแล้วนะมันก็อาจจะสนผลกรรมดีนะก็ะทำไปแล้วก็ ย้อมสมควเหมือนกันแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็เราจะแยกเราจะแยกช่วงเวลาเช่นตอนนี้ทำงานนะจะโกงันอื่นก็ไม่เป็นไรนะจะปิดตีปิดทำก็ไม่เปนไรหรอกเดี๋ยวเอาเงินไปทำบุญเดี๋ยวเอาเงินไปล้างนะล้างกรรที่เคยทำนะมันก็ไม่ได้นะแต่จะได้ความสบายใจบ้าง แต่ถ้าถามว่าล้างกรรมหรือเปล่ามันก็ไม่ล้างหรอกนะแต่ก็ได้ความสบายใจแต่ถ้าตัวที่จะร้างกรรมจริงๆนะต้องเป็นตัววิปัสนาเป็นตัวภาวนามันอาจจะไม่ได้ร้างกรรมในเรื่องของผลที่มันจะเกิดขึ้นนะแต่เป็นการร้างกรรมทางใจนะเช่นเวลาเรา ไปย้อนคิดถึงเรื่องที่มันไม่ดีที่เคยทำพุ๊บนะพอเรามีสติเราเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็จะเห็นอืมอดีตก็ผ่านไปแล้วเนาะแก้ไขไม่ได้ตอนนี้พอไปคิดถึงแล้วมันปุ๊บเข้มไหมมันเศร้าใช่ไหมสติเห็นว่าใจมันเศร้าเห็นว่าใจมันปุ๊เห็นว่าใจมันรู้สึกผิดพุ่ะมันจะดีออกมามันจะดีออกมาเหมือนมันเรามันจิตมัน คล้ายๆเหมือนเ่ปตีคัทน่ะพอไฟยิงช็ตุ๊มันก็ตัดตีเป็นแบบนั้นคล้ายๆเราไม่ให้ไปแก้ว่าไปไปลังน่ะมือย้อนไทม่แมชีนกลับไปไปไม่ทําอีกแบบนั้นหรือว่าไปให้เจ้ากรรมนายเวรน่ะต้องอย่ามาเล่นงานอย่ามาลงโทษอะไรต่างๆไม่ร้นักปไทยสมัยนี้น่ะกลัวเจ้ากรรมนายเวรแต่ไม่กลัวตัวเองกระทํานะ กลัวเจ้ า, จากำนายเรดมาเล่นงานเจอมล้างจอมผ่ามแต่ไม่กลัวนะไม่กลัวการกระทำของตัวเองให้จริงถ้าจะกลัวนะก็กลั ว, ก ล, วกลัวกลัวการกระทำของตัวเองเนะี่ยน่ากลัวกว่าเวลามันคิดขึ้นมาเวลามันสั่ขึ้นมาเราไปทำเราไปพูดตามที่มันตามที่มันคิดนั่นแหละอันนั้นน่ากลัวนะน่ากลัวกว่า แต่ถ้าเราจะล้างกรรมในใจเราจริงนะโดยการที่เรารู้โทษธรรอดีตเราห้ามไม่ได้เราเราแก้ไขไม่ได้อนาคตจะเกิดอะไรเราก็ไม่รู้นะธรรมะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรในอนาคตก็ไม่รู้แต่ถึงที่เราทําได้เหมือนเราเราย้อนคิดถึงอดีตเรื่องสุขก็ดีเรื่องทุกข์ก็ดีเรื่องดีก็ดีเรื่องเลวก็ดีนะพอเราคิดถึงปุก๊ะ ให้เรารู้ทันรู้สันใจว่าคิดมันเกิดไปคิดแล้วหรือรู้ทันความรู้สึกคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกคิดแล้วชอบคิดแล้วไม่ชอบนะให้เรารู้ทันความรู้สึกนะ้มันมันจะตีกลับมากลับมาที่ไหนกลับมาอยู่ปัจจุบันะกลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วการกระทําในอดีป็นปัจจุบนะันเนี่ยมันก็จะส่งผลนะต่ออนาคต ที่จริงก็ส่งผลต่อตอนนี้นี่แหละนะบางคนชอบคิดกังวลนะจิตก็จะคิดกังวลบางคนมีกำหนดกดเกณฑ์มีอะไรมากมายจางีก็ไม่พอใจก็โกรธลอยนะก็นิสัยจะเป็นคนขี้หมึดหี้ดิที่โวรบ้าเวลามันคิดหรืออาจจะกลัวอะไรร่วมหน้าปุ๊บบางทีเราทุบก็อะไรยังไม่เจริญนะ ยังไม่เจอแต่ทุกข้อความคิดทุกด้วยความกังวลทุกด้วยความกลัวไอ้ตัวเ น, น, นี้ยมันเป็นเหตุทําให้เราทุกข์ที่ตอนนี้แหละนั้นการภาวนาเนะี่ยมาจะช่วยให้เราเห็นเห็นความคิดนะเห็นความคิดต้องเห็นเบื้องหลังของความคิดรู้สึกไหมความคิดมันเหมือนเป็นแค่ลูกน้องเป็นแค่ ตัวที่เป็นตัวลูกน้องแต่ตัวที่อยู่เบื้องหลังของความคิดคือตัวความอยากภาษาพากลว่าตัวตัวตัณหาตัวตัณหาความอยากความอยากมันทำให้เกิดเป็นความคิดนเกิดเป็นอารมณ์เกิดเป็นการกระทําเกิดเป็นคําพูดที่มันมันต่อขึ้นมา และความอยางเป็นตัวการที่สำคัญนะแต่ก็ต้องเข้าใจความอยางให้ดีนะไม่งั้นเราจะอืมเราก็จะสงสัยจะไม่แน่ใจเมื่อเมื e ่ออาทิตย์ก่อนมีมีชาวญี <S <S ่ปุ่นนะไปอบรมที่ที่ต้นป่าสงวนวิทยาธรรมที่ป่าช่อมมาก็ก็ก็เทศบ้างมายายทำบ้างให้เขาปฏิบัติธรรมเบบ้างแต่ละตอน ตอนเจ็กก็ให้เขาทักถามก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาไปกาบแม่ไปด้วยเด็กผู้หญิงชาวญีุ่่นนะประมาณทั้งแปดเก้าขวบไปเรื่อยก็ฟังฟังเขาตก็ฟังไปเรอยปฏิบัติไปด้วยนะพอตอนถามตอนถามหนูมีอะไรจะถามมีอะไรมั้งเขาก็ถามนะเขาก็ถามดีนะก็บอกว่าชีวิตเราถ้าไม่มีความอยาก มันจะอยู่ได้เหรอพระธรรมเทศนาประมาณนั้นประมาณความอยากมันมันเป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ใช่ไหมทําให้ถ้าเราไม่ไม่มีความอยากหรือความอยากน้อยเนี่ยมันจะสุขมากกว่านั้นอย่างก็พูดประมาณทานองนี้แต่เด็กก็สงสัยประมาณนี้ชีวิตถ้าไม่มีความอยากเนี่ยจะอยู่ได้เหรอในความเป็นเด็กแต่เราคิดว่าแม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนก็จะสงสัยว่า ถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเราไม่มีความอยากเราจะอยู่ได้แล้วนะนะแต่เราก็รู้สึกเออเรื่องนี้ก็ก็ถามดีนะเป็นคำถามที่ดีก็ชนนะชน ว, ว่าถามดีนะคำถามที่ดีก็เลยแยกให้เห็นว่าที่จริงความอยากกับความจําเป็ น, นต้องแยกให้ถูกนะทีนี้เราก็สามารถมีความ ความอยากตามความจำเป็นได้แต่ถ้าความอยากด้วยความกิเลสนะมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเหนื่อยทำให้เราทุกข์ค่ไม้เท่เปรียบเทียบเนาะตอนนั้นอยู่ที่วัดอยู่อาศนสมมติเรามีอาหารเนะี่ยมีแม่ครัวทำอาหารหมาใหนะ้ทานถามว่าเราทานอาหารที่วัดเนี่ยเราอิ่มเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอิ่มนะแต่สมมติถ้าเราไม่อยากทานอาหารที่วัดตอนไม่ชอบ เราต้องไปทาอาหารอีกที่นึงใกล้ๆต้องเหนื่อยเดินทางหรือว่ามันมันต้องไปไม่ไดนะ้ถามว่าไปกินที่โน่นจะกินที่วัดอินเหมือนกันนะอินเหมือนกันนะแต่ถ้ากินด้วยความอยากอยากไปทานอาหารด้านนี้อยากไปทานอาหารแบบนี้นะี่ยมดตัวอยู่นี่นะมันก็ไปไกลนะก็เหนื่อยนะใช่ไหมอันนี้เรียกว่าความอยากความอยาก ก็คือความไม่พอใจในสิ่งที่ได้นะอยากได้ในสิ่งที่ตัเองคิดอยากปรารถนานะอันนี้คือไอ้ความอยากตบงนะี้คือมันเป็นเหตุที่เกิดความทุกข์แต่ถ้าความอยากอาหารมันเหนวจําเป็นต้องจะไปต้องกินนะนะ้มันเป็นธรรมชาติซึ่งที่จริงชีวิตของเราก็าแยกแบบนี้ได้นะเราใช้เพื่อผ้าต่อเพื่อป้องกัน ควาร้อนความหนาวใช่ไหมเราไม่สบายนะไม่สบายแลย้วก็ต้องรักษาเราก็ต้องกินยาเนะ น, นี่ยมันก็เป็นธรรมชาตินะอะไรต่างๆที่มันเป็นความจําเป็นเราก็ใช้นะเราก็ใช้แต่แต่ที่มันมันเป็นแค่ถนอมเช่นให้แบบนี้มันอร่อยกว่าให้แบบนี้มันดูดีกว่าให้แบบนี้มันเท่กว่าอะไรต่างๆ ไอ้คนนี้ยมันทําให้ชีวิตเราเหนื่อยมากถ้าเราตัดตรง น, นั้นได้ได้มากๆนะชีวิตเราก็จะเบาขึ้นไม่ต้องทําตามตามตันหาที่เขาผักเนะี่เขาผักให้เราต้องทําตา ม, มาตนะไอ้นั้นแหะนี่แหละคือความอยากมันมีความอยากมันมีตันหามันก็เลยเกิดเป็นความความคิดความต้องการควา ม, มาารู้สึกอะไรต่าง ที่จริงความอยากมันก็เริ่มถึงความไม่อยากเหมือนกันนะไม่อยากอไม่อยากที่จะเป็นนะเช่นเราเป็นโลรคนะไม่อยากเป็นโลคนี้เลยนะอยากเป็นโลคอื่นหรือเปล่านะแต่ถามว่าเราเป็นโรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความอยากของเราไหมก็ <c ười> <c ười> ไม่ใช่นะ ถ้าถ้าเราปรารถนาได้ถ้เรอยากได้ที่จะไม่เป็นนั่นหรือเป็นนีนะ่เราก็คงเลือกได้แล้วแต่เพราเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะต้องเจออะไรจะต้องเป็นอะไรมันเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราฝึกได้หรือทำใจได้นะคือเรายอมรับเขาเราเจอไปตรวจกหมอมเจอว่าเป็นโรคนี้ ถ้าเราเป็นโรคเบาๆก็ไม่เป็นไรนาะแต่ถ้าเป็นโรคหนักๆก็จะทําใจยากไม่อยากเป็นไม่อยากเจอหมอตรวจถูกหรือเปล่าเนี่ยหลายคนต้องไปเช็คซ้ำอีกของกองตามลงพยาบานใ่ไหมอือก็เพราะอันนี้ก็ดีก็เพื่อความชัวร์ถ้าสามารถทำได้แต่ใจที่ปฏิเสธว่าไม่อยากเป็นไม่ใช่ชั้นอะไรเนี่ย มันเป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ใจใช่ไหมแต่เราเป็นโลคเราก็รับยอมรับความจริงว่ามันเป็นเราก็รักษาไปนโลคทางกายเราก็รักษาแต่หมอหรือว่าใครนะมันก็ยากที่จะรักษาโลกทางใจของเราได้โลกทางใจของเราเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความอยากของเราเนี่ยเพราเรา าะเราไม่อยากเป็นมันนะมันก็เลเกิดเป็นโลกทางใจนะนั้นเราสิ่งที่สำคัญเนาะให้เรารู้เท่าทันตายดูเท่าทาาันใจนะให้มีสติฝึกมีสติรู้เท่าทาันะะนะเวลาเกิดความอยากขึ้นมานะให้เราเห็นมันให้เรารู้เกิดความอยากนะไม่ใช่เราไปห้ามความอยาก แต่เกิดความอยากขึ้นมาให้เรารู้ความอยากแบบอ ย, ยากอยาก็คือการอยากในการเสดเสดทางตาเสดทางหูเสดทางจมูกทางลิ้นทางกายเสดทางใจก็เรียกว่าการมาคุนนะในการมีความอยากในการเสดกามคุณต่างๆความอยากที่ละเอียดขึ้นคือความ ไม่อยากคือไม่อยากไม่อยากเจอไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเอาเนียอันนี้คือก็เป็นความความความยากอีกแบบหนึ่งคือความไม่อยากหรือบางทีพอเรามาปฏิบัติธรรมก็ต้องระวางอีกอย่างแต่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เราก็ อ, อ, อยากจะได้ได้ท่าภาวะธรรม ได้สิ่งที่ดีๆเขาอยากจะบรรลุธรรมอยากจะสงบอยากจะไม่ทุกข์เลยนะถามว่าคนส่วใหญ่ที่มาปฏิบัติธรรมมีไหมมีไห ม, มก็มีนะ <c oughs> มีนะแต่ดูดีๆนะมันไม่ได้มีตลอดนะอืมตอนไหนฟังทำหน่อยจะไหนอินหน่อยก็มีนะตอนไหนไปอย่กนะันะโลกก็ดืนะอ้อรัอ้นมาลาไม่กอดอะไมันเป็น มันมีเป็นเที่ยวครั้งเที่ยวคราวแต่สังเกตไหมเวลาเจอจริงมีหรือไม่มีนะมันก็จงเป็นเกียรติที่เจอความหลงเหมือนกันนะใช่ไหมเวลามันมีเราก็อยากจะได้ก็ทุกข์ด้วยความอยากได้เวลามันไม่มีความอยากแต่บรรู้ทํามนะมันก็ไปอยากอย่างเดิมเหมือนเดิมนะอยากกินอยากเที่ยวอยากเล่นนะมันก็ไปทุกข์คนละแบบ แต่ตอนนี้เรานะเราต้องมาฝึกตัวเองให้ให้รู้ทันนะรู้ทันความอยากการรู้ทันความอยากเริ่มแรกกอาจจะต้องฝึกมันค่อยๆถอยลงมารู้ทันความคิดนะรู้ทันความคิดแต่บางทีรู้สันความคิดก็ดูยากนะต้องคอยกับละเอียดรู้ทันกายมันเหมือนถ้าจะเขาตามสเต็ปนะ เนี่ยเจใหญ่นะรู้ทันกายเมื่อเรารู้ทันกายเ่อร์หอยเราจะรู้ทันความคิดเมื่อเรารู้ทันความคิดเราจะรู้ทันความอยากถอยแบบนี้เนีในการฝึกนะกว่าจะเห็นความอยากเป็นรู้ทันความอยากฝึกเริ่มต้นรู้ทันกายเนีกายมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องสัมผัสหรือเห็นได้ได้ง่ายมา แล้วก eh? okay. ็ฝึกเนี่ยรู้ทันกายดบ่อยๆกายทําอะไรก็คอยดูมันแต่ขยับเนี่ยขยับไปเยื้นนิดนึงนะก็รู้สึกตัวนะหรืบางทีมันไม่รู้สึกตัวเก็เป็นตั้งใจขยับตั้งใจขยับนะเป็นรู้สึกตัวตั้งใจขยับรู้สึกตัวพอบางทีขยับไปรู้สึกตัวจริงหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับความสนใจ ความคิดน่ะใช่ไหมแล้วควมันสงสัยมันคิดจิตมันจะอยู่ต้องหานักการคอยถามว่ามันรู้สึกตัวจริงหรือเปล่าหรือบางทีเราคิดว่าเราทำผิดทำผิดอันนี้คือความคิดพอเรารู้สึกตัวพวกนั้นเห็นถ้ารยมื่อเห็นว่ากำลังสงสัยอันนี้เรียกว่าเห็นความคิดอละเห็นความคิดขึ้นมาละเห็นความคิดนี่มันคิดสงสัย พอเห็นความคิดมันคิดสงสัยมันเห็นไ้มว่าในความสงสัยนี่มันมีความอยากถามมีความอยากรู้เนี่ยมันมันซ้อนกันแบบนี้นะถ้าเราเห็นกายเราเห็นกายไปต่อเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นเนี่ยเห็นความคิดแล้วก็เห็นว่าในความสงสัยนี่มีความผักดันอยากรู้อยากถามอยากหายแบบนี้เนี่ยมันซ้อนมานะ ทุกการกระทำทุกความคิดมันมีพวเนีซ่อนเข้ามาเยอะแยะน ะ, นะเนี่ยเราฝึกดูแบบนี้แหละนะฝึกเท่าที่มันจะทำได้นะอย่าไปเครียดกัน ม, มากก้าทาเยอะๆทำบ่อยๆเราใาศว่าเรามีความอดทนมีความอดทนมีความยัญญ้ <c ười> เป็นคุณสมบัติที่ที่ดีมากนะ อดทนอดนทนสักหน่อยแล้วก็ขยันมันพระเจ้าพูดดีนะ้บอกว่าขันติความอดทนอดกันนะ้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าใครอดทนน้อยเนะี่ยก็แม้แตฉลาดเท่านั้นนะ ก, ก็ก็ภาวนาไม่ค่อยก้าวหน้าหรอกคล้ายๆอย่างคนคนฉล า, าดนะแต่ไม่ขยันนะ โคตรไม่ค so, ่อยประสบความสําเร็จนะการเรียนก็ดีการทํางานก็ดีบิงทีก็ต้องมีความอดทนมีความเพียนไม่ใช่มีแต่ความฉลาดอย่างเดียวแล้วก็อดทนบ้างบางทีมันสภาวะธรรมต่างๆสที่มันเกิดขึ้นต่างๆบางทีเราต้องอดทนทั้นใหม่ดูมันไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆวันนี้ยังไม่เข้าใจนะมีหลายคนมากที่เราเจอ เวามาปฏิบัติแล้วก็ดูเหมือนดูเหมือนจะไปได้ดีนะแต่นานๆอันนี้มันเจออีกทีนะก็ดูเหมือนเท่าเท่าเดิมหรือค่อยไปกว่เดิมคือพอเห็นตอนปฏิบัติน่ะสามวันเจ็ดวันนี่ดูดูก้างหน้าดูดีอยู่นะดอจะเข้าใจแต่นานๆอีกหลายเดือนหรือเป็นปีมันเจออีกทีไปยัง่ายๆนะเหมือนเดิมครับทำไมยังเหมือนเดิมนะ ไม่ได้ทําต่อเนื่องกลับไปได้ไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยเนนะี่ยมันก็เลยเหมือนวนกลับมากลับมาเริ่มต้นใหม่ตัวค่ะอันนะี้สิ่งที่สําคัญคือมีความขยนันมีความอดทนเพราะความขยันความอดทนเนี่ยมันจะเป็นทรรที่เหมือนเผาเกิเลสจะเห็นชาวบา้านเขาก็เผ า, าต้นไม้นะ บทีต้นใหญ่ๆ่ก็จะเอาไฟไฟไปล้องต้นไม้แล้วก็แล้วก็เผ่าให้มันให้มันค่อยๆย่อยไปะสุดท้ายต่อไม้ใหญ่ๆก็กลายเป็นเป็นเท่าเป็นหมดเลยนะก็เพื่อเอาไปทําไรทํานาอะไรต่างๆอไฟนการเผากิเลสก็แค่ทช้เม็นน้ำโยงนะแต่เราจะดูว่าเราภาวนาแล้วมันก้าวหน้าหรือเปล่าน เรารู้ว่าเรามีความอดทนมีความเพียรมีการเผากรีดหรือยั้งใจได้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราจะดูว่าวเราก้าหน้าคือตรงนี้นะความก้าวหน้าไม่ใช่ไปวัดว่ามีแสงสว่างมีความเบาของใจอะไรนะมีความสงบให้แบบนั้นนะบางทีมันทําได้ ทำสมาธิแล้วเบาทำสมาธิแล้วสบายออกจากสมาธิแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้ใหไอแบบนั้นเป็นการสร้างภ พ, พหนึ่งขึ้จิตก็สามารถทำได้ถ้าคนที่เาเคยฝึกมาก็ทาได้แต่ความก้าวหนะ้าของการภาวนานจริงๆเรารู้ว่าเราสามารถมีขันติในติ่ที่เคยขันแตกได้หรือเปล่าใช่ไอย่างเช่น เจอคนคนนี้ยปี๊แตกทันทีเลยเจอเรื่องเนี้ยรับไม่ได้ทันทีเลยนะะแล้วพอเราผูกปีเรทกับคนคนี้เราดีขึ้นนะรู้สึกว่าเออใจเย็นขึ้นอย่างไนะดหรือเรื่องเนี้ยที่มันเคยทําให้เราปี๊แตกก็ปี๊ดน้ยลงหรือว่ายังได้หรือว่าเรื่องเนี้ยเคยอยาเคยชอบเคยเกลียอะไรต่างๆกรแร็แล้วแต่เราสามารถอยู่กับเขาได้นานขึ้น อ, อยู่แล้วไม่ อ, อึดอัดเท่าเดิมเนี่ยคือแต่ว่าเราเริ่มมีพัฒนาการนะพัฒนาการไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่ามันเปนแบบไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะแต่มันาว่าเราเห็นว่าเราอยู่กับสิ่งที่เคยไม่ชอบได้ให้นานขึ้นได้นิ่งขึ้นเพิ่มนะหรือแม้แต่สิ่งที่ชอบก็ ไม่หลงไปมากเหมือนเดิมบางทีเราอินเนอะเรื่องที่ชอบมากเราินไปอินไปกับสิ่งที่ชอบหรือเรื่องที่ไม่ชอบก็เกลียดมากหลายคนจะมีนิสัยค่อนข้างสุดโตกันนะอะไรที่ชอบก็อินไปเลยอะไรที่ไม่ชอบก็ทำเลชีวิตเราจะสุดโตงมากไอ้คกนี้เขาเรียกวเป็นคกที่อะไรเป็นคนที่อืม นิสัยแบบคล้ายๆอารมณ์ความรู้สึกมันมันพาไปเนี่ยนะเวลาคนที่ใช้เรียกว่ามีสัตธ์ัตยานแบบใช้อารมณ์เนี้ยก็จะไปนะแต่บางคนอาจจะใช้เหตุผลหรือใช้อะไรสามงก็อาจจะไปไม่เยอะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ลงนะนะแต่บางคนก็อาจจะอยู่ได้ด้วยความตกทน คนแต่คนอย่างเดียวนะก็เหนื่อยนะก็ิ้นื่อยก็ทนนมากๆบางีก็กนเหนือนะนหน่อยนะแล้วก็เครียดมี <c ười> มีโยก็ต้องฟังว่าจากกรณีที่สอนกระดาษที่แล้วหละเรื่องคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาบอกคนญี่ปุ่น วิสัยที่คล้ายๆเป็นค่านยิยมที่เขาคล้ายๆเขาให้คุค่าเาบอกว่าถ้าคนไหนยิ่งแสดงความรู้สึกวัาตัวเองปุ๊บหรือเครียดนะคือคนที่คนที่ทเก่งเก่งคืออะไระเราก็ไม่เข้าใจนะแต่เขาประมาณว่าเหมือนถ้าคนนี้ยสมมติจัดมาแล้วก็ทำงานหรือเจออะไรแล้วเราก็แบกรับความปุ๊บ คามเครียดได้ตัวเองได้เยอะๆเนี่ยถึงก็เป็นคนเก่การที่พูดตัวเองทุกตัวเองเครียดในไหน น, นี่ยไม่ใช่ความผิดแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าดิฉันแน่ที่ฉันประมาณนั่แหละฉันฉันรัมันได้เยอะนี้ก็เป็นท่านโยบของเขานะแต่มาว่าถ้าเราสังเกตนะคนญี่ปุ่นก็ค่าตัวตายเนี่ยหรือว่าไปเวลาไปกดปล่อยก็ไปกดปล่อยทำอะไรที่มัน หนักไปเลยก็ไปเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันแบกความทุกข์ไว้เยอะใช่ไหมก็เวดานั้นว่ารับไม่ไหวก็ฆ่าตัตายเลยหรือเวลามันจะปล่อยก็ปล่อยทันที่เลยแต่ทางพุทธของเรานะเราจะเห็นว่าเราจะทําไงให้มันหนักอันนี้เวลารับความทุกข์นะหรือเจอปัญหาทําตัวเหมือนก็ถาง กระถางต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้นะถ้าปลูกในกระถางนะใช่ไหมฝนมันตกยเยอะในช่วงนี้ฝนตกยเยอะมากถ้าถ้ากระถางของเราตันเนาะต้นไม้ก็อาจจะตายได้ก็ดรางเน่าใช่ไมดินมันชื้น่นากมันเน่าแต่คราวนี้เนียเราทำตัเป็นกระถาง ม, มันชื้นฝนตกมากน้ําก็ไหลลงไปเยอะ ตนไม้ก็ปรับตัวได้ไม่ตาตอันนี้คือสิ่งที่บางทีเราหนีไม่ได้เราอยู่กับโลกเราต้องเจอเรื่องคนนั้นตอนนี้มาพูดเจอปัญหาในการงานเจอปัญหาในชีวิตเยอะมากแต่ถ้าเราไม่ไม่ทำตัวเหมือนเป็นกระถานที่ปล่อยหยิ่งออกไปบ้างเนะี่ยเราจะพุ่งมากเราจเครียดมา ก, ย, มากยังจำได้ ดีอ่ได้ดูดูวิดีโอของอาจารย์จอมโคนตอนรในการคนทุ้นคนก็เป็นสัมภาษณ์เขาก็เขาก็ตามดูอาจารย์จอมโคนตั้งแต่เช้าจนค่ำา่ะก็เห็นคนมาหาตั้งแต่เช้าทากกํางานตลอดนะมีคนมาพบมีอะไรต่างๆเนี่ยจนถึงตอนค่ำก็มีคนมาหาเวลาใกล้จะเข้านอลอ่เเขาก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์ก่อนนอนเยนะ ประมาณว่ามีคนมาหาอาจารย์เยอะตอนนี้อาจารย์วางใจแบบไหนอาจบอกเขาเข้ามาแต่ตอนนี้ผมก็คือเป็นหมดละเกรงๆพี่ิงอาจจะไม่ลืนกิฬาแต่งนอนละว่าเข้ามามาหาเราก็ฟังเราก็พูดมันก็จบละตอนนี้เป็นเวลาที่จะเข้านอนผมก็จะเตรียมตัวนอนก็คืออะรกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ไอ้ความทุกที่เคยที่ได้รับฟังมานะหรือเข้ามาึกษามาก็ก็วางไแล้วอันนี้นะให้เราพยายามแบบนั้นนะฝึกแบบไหนฝึกอย่าเพิ่งฝึกตอนตั้งแต่ก่อนนอนที่กินนะตอนกินข้าวก็กักมันอยู่กับการกินข้าวนะตอนเดินก็กลับมาอยู่กับการเดินนะตอนทํางานนะก็กลับมาอยู่กับการ ทีเวลาเราทำอะไรนะก็ยังกลับมาอยู่กับสิ่งที่จะทำให้ให้ได้บ่อยที่สุดแต่คำว่าอยู่เนะี่ยพูดแบบพูดแบบให้เข้าใจกว้างๆเด่นนะแต่ในในการปฏิบัติจริงๆนะจะได้ว่าใช้เป็นแค่ให้รู้นะให้เรารู้ตัวไม่ใช่ว่าเราต้องไปยินอยู่กับในสิ่งที่ทำแบบจะลืมสิ่งอื่น เวลาเราปฏิบัติธรรมต้องระวังส่วนหนึ่งคือถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเข้าไปไปอยู่มันจะกลายเป็นเหมือนเราไปไปเพ่งไปจ้องมันจะเป็นสมาธิมากเกินไปเวลาเราทําปฏิบัติธรรมนะเราจะเดินจงกรมก็ดียกมือตั้งจังหวะก็ดีหรือดูลมหายใจก็ดี ดูตัวจิตดูใจก็ดีนะให้เราดูเหมือนเหมือนที้ไทยเราอยู่บนบนฝั่งแล้วก็ดูดูแม่น้ํำเราอยูบนฝั่งดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนน้ําหรือว่าในน้ำมันจะปลอดภัยเราอย่าเข้าไปอยู่ในน้ํำมาเราดูร่างกายก็เหมือนกันเห็นร่างกายก็เลย เห็นร่างกายก็กินข้าวเห็นร่างกายก็ปวดก็เมื่นะเห็นแบบนะแต่ตัวเห็นอยู่ข้างบนอยู่ตัดอ้าเราเราดูร่างกายก็เหมือนกันอย่าเอาใจไปยอยู่ในกายแต่เป็แค่ให้รู้สึกนรกนะรกะรู้สึกขยับนะรู้สึกหายใจก็รู้สึกนะยืนเลยแน่นอนก็แค่รู้สึก ให้เรามีความรู้สึกตัวนะในการเคลื่อนไหวมีความรสึกตัวในการสัมผัสในทิ้งดวงตานะอันนี้หรือมีความสึกตัวเวลามีอะไรมากรนะทบอันนี้ยแค่รู้สึกถ้าเราแค่รู้สึกเฉยเฉยนะมันจะสบายนะนจะสบายแต่ถ้าเราไปตั้งใจดูเนะี่ยมันจะหนักเหมือนนักสอบบางต่อจะมีโยมา พูดคุยธรรมในิด น, นึงนะก็ถามเรื่องการปฏิบัตินั่นแหละตอนนั้นนั่งอยู่ที่ศาลาอยู่ที่อาสม์ก็เนี่ยมีลมพัดมารู้สึกไหมรู้สึกนะแค่นั้นแคบบ่น <c ười> ี้แหละต้องต้านใจไหมไม่ต้องต้านใจมากมันก็พบมาต้อรูอ้สึกไม่ต้องไปพยายามที่จะไป เรารู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆบางครั้งก็เกิดความคิดขึ้นมาบ้างเราก็เห็นมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้มันไปในนันนนะดูไปเรื่อยๆบางทีก็เห็นกิเลสบ้างเห็นตัณหาบ้างอะก็เห็นทั้งที่มันเห็นได้แต่เราเพียงแค่รู้หรือเห็นเท่านัไม่ต้องไปห้ามอะไรทุกอย่างอืเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะชนะความ ความปวดเมื่อยของร่างกายมีกายก็ต้องปวดเมื่อยเราภาวนาไม่ใช่เพื่อจะห้ามอาการของใจนะมันจะชอบมันจะไม่ชอบมันจะมีกิเลสเราห้ามไม่ได้แต่สิที่เราทได้คือเราฝึกให้มันรู้ทันนะแค่รู้เนี่แหละจิตมันจะหลุดออกมาจากอารมณ์จากความคิดต่างๆได้ฝึกแบบนี้นะฝึกเว่ยๆแล้วคงนี้แหละ การที่เราฝึก ด, ดูนะฝึกเค้นได้ไหวมันจะเป็นตัเเวเผาเกเรจริงจริงเจไดก็เผาก็คือเนะี่ยจริงจริงถ้าจะพูดให้ดูอย่างเราไม่ให้อาหารเกเรเราไม่ให้อาหารเกเเหมือนเราไม่ให้อาหารตัดเลยเนาะเราไม่ให้อาหารตับมันก็หิวมันก็ฟอมันก็ไม่มีแรงมันก็ตายเราไม่ให้อาหารเกเรก็คล็ายค้ายกับ กิเด็นะไม่มีอาหารเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆปอดค่อยๆเหี่ยวแล้วก็ ค, อ ค, อค่อยตายไปเองนะอันนี้คือสิ่งที่เรามาฝึกกันนะก็ให้ตั้งใจทำนะตั้งใจทำทำวันนี้ให้เต็มที่นะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะวันพรุ่งนี้ก็ทําต่อทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะทา ไ, ไปจน ปัตายเนาะทำไป็มวันตา ย, นะนะตายให้เอาการภาวนาเราอยู่ในชีวิตประจําวันให้ได้นะเราเอาคืกวันนี้ก็มันเป็นช่วงที่เราได้ได้ทําเต็มที่นะแล้ววันอื่นที่เราไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราก็เอาไปทําในชีวิตประจำของเราให้ได้นะถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะธรรมะมันก็จะค่อยๆเรียกว่าอะไรปรากฏผลให้เราเห็นเองแหละว่า มันมีความเจริญมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างแล้วก็ให้เราทุกคนได้ตั้งใจฝึกหัดตัวเองเนาะไม่มีใครช่วยได้เพระพระเระจ้าก็บอกแล้วเราเป็นเพียงผู้บอกะนะท่านทั้งหลาย <c oughs> เป็นผู้ที่ทำเอง <c oughs> นะเลื่อนไม่ได้ตรงนี้นะตนะั้งใจฝึก